มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัธรรมวัคยักษ์ขาหนังมรณภาวะปัญหาที่หนึ่งถามว่ายักษ์ในโลกนี้มีหรือไม่ถ้ามีทำไมไม่พบเห็นซากศพยักษ์ ที่ตายบ้างเลยสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชามหากษัตริย์ขัตติยาธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายักษ์ทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่หรือหาไม่ได้พระนาคเสนถวายพระพรมรับว่าอามะมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐ ยักษ์ทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่สมเด็จพระเจ้ามิรินปินกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสถามอีกว่าเจวันติปเนเตพันเตก็เมื่อยักษ์ทั้งหลายมีอยู่ยักษ์เหล่านั้นย่อมเคลื่อนจากกำเนิดนั้นเหมือนดังสัตว์ที่เห็นปรากฏชัดอยู่ในทุกวันนี้หรือหาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงสำแดงอัดให้โยมนี้ ทราบประจักษ์ชัดในการบัดนี้พระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าอามะมหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเคลื่อนจากกำเนิดนั้นดังสัตว์ที่ปรากฏชัดในทุกวันนี้เหมือนกันจะได้วิปริตผิดเพี้ยนไปจากนี้หาไม่ได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงมีสุนทรวาจาตรัสถามพระนาคเกษต่อไปว่ากิษะปนะพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเกษผู้ปรีชายานยิ่งก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุดังรือจึงไม่พบเห็นซากศพของยักษ์ที่ตายนั้นสักครั้งหนึ่งโดยที่สุดแม้กลิ่นแห่งซากศพก็ไม่ได้ฟุ้งมากระทบคาณประสาท ให้รู้สึกมีกลิ่นเหม็นแม้สักครั้งหนึ่งน่าสงสัยนะักพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเซนถวายพระพรวิสัชนาว่าทิสติมหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารผู้ประเรสริฐศพของยักษ์ย่อมปรากฏแม้กลิ่นแห่งซากศพของยักษ์กล่านั้นก็ย่อมฟุ้งมากระทบคาณะประสาทเหมือนกันแต่บุคคลหารู้สึกว่าเป็นศพของยักษ์ม่ เพราะร่างกายของยักษ์ผู้ตายแล้วนั้นกลายเป็นตักกแตนไปบ้างกลายเป็นหนอนไปบ้างกลายเป็นมดแดงไปบ้างกลายเป็นมดดำไปบ้างบางทีก็กลายเป็นงูบางทีก็กลายเป็นมแมลงป่องบางทีก็กลายเป็นตะขาบบางทีก็กลายเป็นนกบางทีก็กลายเป็นเนื้ออาศัยเหตุนี้แหละมหาชนจึงไม่ทราบว่า เป็นศพของยักษ์ที่ตายณนะบ่อพิษพระสมภารสมเด็จพระเจ้าวิิลินปินประชาสาคละราชเมื่อพระนาคเกษถวายพระพรวิสัชนามาดังนี้ก็สิ้นวิมัติกังขาสงสัยมีความรื่นเริงบันเทิงใจจึงเปล่งสุนทรพจน์ออกไปชมพระนาคเกษว่าโกหิพันเตนาเกษนะข้าแต่พระนาคเกษผู้ปรีชาปัญหานี้ มีอัดลึกซึ้งสุขุมคาเพียรภาพโยมได้เลือกคัดจัดสรรเอามาไต่ถามคนอื่นนอกจากท่านที่มีปัญญาเช่นพระผู้เป็นเจ้าแล้วที่ไหนเล่าจะพึงแก้ปัญหานี้ได้พระผู้เป็นเจ้ามีปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการแก้ปัญหาจิงวิสัชนาปัญหาของโยมนี้ ให้หมดจดขาวบริสุทธิ์สิ้นวิมติกังขาสงสัยโยมจะทรงจำไว้ในพระหฤทยัยโดยไม่มีความเคลือบแคลงตลอดการทุกเมือ่อยักขาหนังมรณะภาวะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้